พระธรรมเทศนาแผ่นที่66ลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่27มิถุนายน2554มีชื่อเรื่องว่าความเห็นแก่ตัวนำทุกข์มาให้วันนี้เป็นวันที่ ยี่สิบเจ็ดมิถุนาพุทธศักราช2 5 5พห้าอห้าสิบสี่จากนี้ไปเจ็ดวันนะวันนี้ยี่สิบเจ็ดนะแล้วก็วันที่สามเป็นวันคัดเลือกผู้แทนรัชดรของประเทศไทยเดี๋ยวนี้กำลังดูดูแล้วถึงจะลงพ่อถึงอยู่ในป่าหลับตาเไม่ใช่หลับหูนะหลับตาฟังหลับตาดูก็รู้แล้วว่า คงจะแข่งขันการอุตรุด ใ, ใครๆก็อยากจะมาวินหนึ่งแบบนใครๆก็อยากจะมาวินหนึ่งแต่พวกเราเป็นราษฎรเป็นพระสงฆ์อย่างหลวงพ่อเนี่ยถึงใครจะมาก็มาได้ก็ขอให้ผู้ที่มาเป็นหัวหน้าหรือว่าพรรคที่เป็นบริหารประเทศให้เป็น สัมมาทิฏฐิเนี่ยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบไม่คอรับชงไม่คอรับชับ่นเป็นคนซื่อตรงรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นผู้จงรักภักดีต่อชาติศาธนาพระมหากษัตริย์เข้ารบพี่น้องประชาชนบริหารโดยธรรมถ้าเราไม่ต้องการและอย่าไปทำให้คนอื่นเขา ถ้าตัวเองต้องการอย่างไรกกทำให้คนอื่นเขาอย่างนั้นเขากับเราให้เหมือนกันอันนั้นหละปอว่ธรรมแต่ว่าตัวเองขนเข้ามาหาตัวเองแต่ให้คนทุกความทุกแก่คนอื่นอันนั้นไม่ถูกต้องอันนั้นมาเห็นแก่ตัวถ้าาว่ามาปกครองประเทศชาติเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ ปกครองประเทศชาติบ้านเมืองด้วยความร่มเย็นเป็นถุขดีทั้งนั้นจะใครมาก็ได้จะเป็นหูหนวกตาบอดมาก็ได้ข้อสําคัญให้เป็นธรรมแต่ว่าใจอย่าบอดนะถ้าคนถึงอย่หูดีตาดีแข้งขาดีแต่ใจบอดใจมีแต่โลภโกรธหลงโลภโผโมกระมีแต่ขอรับชงขอรับชั่นเห็นแก่พักเห็นแก่พวก เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวพูดง่ายๆถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วมาปกครองโลกหรือปกครองประเทศชาติามาปกครองที่ไหนๆเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดปกครองวัดก็เดือดร้อนอถ้าหากว่าหัวหน้าวัดเห็นแก่ตัวขี้ตนีทีเหนียว เ, เห็นแก่พักเห็นแก่พวก อย่างนั้นวัดนั้นก็เดือดร้อนพุ่นวายอีกเหมือนกันแปลว่าปกครองไม่ไม่โดยธรรมเพราะนั้นในครั้งพุทธกาลยังมีพวกปกครองแบบริสุวีลิสุวีก็คือปกครองโดยธรรมมีพระเจ้าแผ่นดินห้าร้อยพวกเราคิดคิดดูคงจะยุ่งหน้าดูเหมือนกันนะขนาดประเทศไทยผู้แทนราฐดรน ไม่กี่ร้อยคนเนี่นีปกครองขึ้นมาก็ยังถกเถียงกันในสภายุ่งเหยิงวุ่นวายแต่พวกลิศวีปกครองของเขานั้นรู้สึกว่าประเทศของเขาจะเดินตุดหน้าไปอย่างมากลิสวีปกครองอย่างไรก็คือพระเจ้าเป็นดินห้าร้อยอ้าววันนี้ ให้คนนึงนายกพระเจ้าแผ่นดินกอขึ้นปกครองเจ็ดวันขึ้นปกครองเจ็ดวันแสดงความคิดเห็นแหละเพราะข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ในจิตในใจยังไงแสดงออกข้าพเจ้าปกครองต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้อย่างนั้ น, งงนให้อยู่ในกฎระเบียบอย่างนี้แต่ว่าหลักนั้นมีอยู่แล้วนะหลักหลักการปกครองนันมีส่วนใหญ่ตกลงกันแล้วแต่ว่าส่วนย่อย ควจะทําอย่าง น, างนี้พอได้เป็นเจ็ดวันหยุดนะต่อมาอีกพระเจรพราชาองค์ที่สองนพระลาชสาคอนะขึ้นมาปกครองเจ็ดวันแสดงความคิดเห็นอีกพระลาชาคอขึ้นมาอีกแสดงความคิดเห็นอีกเดือนละเจ็ดวันเจ็ดวันจนถึงห้าร้อยห้าร้อยกับกลับมาหาพระราชาองค์เก่าอีกอันนี้แปลว่าเขาปกครอง แบบฤทธิวีจากนั้นก็มีการประชุมหาหรือกันเป็นระยะระยะแปลว่าประชุมกันบ่อยมากเพราะเป็นพระเจ้าเป็นดินเนี่ยทีเขาทีเราเนี่ยนี่แหละแปลว่าประเทศชาตินั้นเข้มแข็งมากนในยุคนั้นจนถึงพระเจ้าเป็นดินกรุงราชสัก์พระเจ้าอาชาติอาาชา ต, สะสะตรูน ไปยึดเมืองเวสาลีน่ยยึดไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะว่าเขาเข้มแข็งเขาปกครองแบบลิสสวีนี่หน แ, หแหละจากนั้นพระเจ้าอัาสซาสต์ศัตรูก็เลยให้วจการพรามณ์เป็นอำมาตย์ใหญ่ไปยุยงแย้งให้เขาแตกกันนี่แหละวพอแตกสัมัคธกันเท่านั้นแหละพระเจ้าอัาสต์ศัตรูก็ยกทัพเข้าไป กวาดล้างเลยจบนี่นี่แหละสรุปแล้วก็คือจะเข้มแข็งขนาดไหนก็ตามถ้าหูเบาสอย่างหูเบาหูไม่หนักแน่นแล้วก็เห็นแกกตัวชอบทะเลาะวิวาดไม่เห็นไม่มีความพร้อมเพียงสามัรขีกันโลกในยุคไหนก็จิบหายมาเป็นลำดับลาดับไม่ว่าประเทศไหน ถา้าประเทศไหนก็ตามถ้าเข้มแข็งมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันรักกันเอาไว้ฟังกันถึงใครจะพูดยังไงก็ฟังกันถ้าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่จะพูดอะไรแต่ละหลุดออกไปแต่ละคำเนี่ยมันต้องได้คิดอีกเหมือนกันพูดออกไปเพื่ออะไรหวังผลอะไรเพื่อคําไหนจะพูดออกไปแล้วมันกัํากึง่งจะทําให้แตกแยกสามัคคี ผู้ใหญ่ก็ต้องได้คิดให้ดีก่อนที่จะพูดออกไปนี่นะเป็นผู้ใหญ่ทั้งคิดทั้งทำทั้งพูดด้วยต้องเป็นสัมมาทิฏฐิต้องเป็นผู้ซื่อตรงถ้าเป็นอย่างนั้นได้ประเทศชาติและบ้านเมืองนะจะเริญหลวงพ่อว่านะแต่ประเทศชาติบ้านเมืองหเห็นแก่ตัวเป็นมิจฉาทิฏฐิยุคใดสมัยใดกับ ใครจะขึ้นมากระเท่านั้นแหละการคอรับชั่นน่ยมันเกื่อนไปหมดในประเทศชาติทุกวันนี้ใครๆก็รู้ว่าขอประเทศคอรับชั่นในประเทศคอรับชั่นเวลาบ้างขอรับชั่ น, นการทํางานบ้างคอรับชั่นอะไรต่อไม่อะไรมีตังยะยะ้งเยอะๆมันมีคอรับชั่นมันไม่ใช่อย่างเดียวคอรับชั่นเงินอย่างเดียวนะ ทานได้รับเงินเดือนแต่ไม่ไปทํางานเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าแหละคอรับชันเวลาอนะ้าจะทําเวล า, ววาสิาาานนบสองชั่วโมงแปดชั่วโมงเราไปทําส่วนตัวทั้งสองชั่วโมงขาดไปสองชั่วโมงทํางานเพียงหกชั่วโมงออันนี้ก็คอรับชันสองชั่วโมงชั่วโมงละเท่าไหรแต่คิดเป็นเงินออกมาเป็นเงินทั้งหมดอันนี้แหละ สรุปแล้วก็คือรบคอลรับชั่นไม่ใช่ไม่ใช่คอลรับชั่นแต่เงินกินเงินเดือนแล้วก็กินเงินกินเงินข้างหัวคิวอะค อ, อมมิชชั่นนะเท่านั้น น, ะนี่แหละสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อว่านะจะทำยังไงประเทศชาติของเราถึงจะได้รับการศึกษาโลกยุคนี้สมัยนี้ก็ว่าจเจริญรุ่งเรืองแต่กิเลสมันก็จเจริญรุ่งเรืองอีกเหมือนกัน แหลมอีกเหมือนกันที่จะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาที่จะกินประเทศชาติบ้านเมืองกินโลกนะจะกินวิธีอย่างไรอ่านกินโลกมันไม่ใช่อ่านกินประเทศชาติอย่างเดียวทุกวันเนะี่เป็นผู้ใหญ่ของโลกกิกนโลกผลประโยชน์เขามีอย่างไรบ่อน้ำมงบ่อน้ำมันที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนะประเทศไหนที่ เขารวยเนี่ยน่ะเข้าไปเพื่อจะไปไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอันนี้ละ่ะโลกทั้งโลกก็เดือดร้อนวุ่นวายไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนสรุปลก็คือกิเลสกิเลสของมนุษย์คือความโลภเป็นใหญ่อย่างพระไตรปิฎกอย่างที่หลวงพ่อได้พูดวันวานมันก่อนพยามันธาตุราชครอบครองทั้งแผ่นดินะขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ ชั้นดาวดึงกับพระอินท์ยังคิดฆ่าพระอินทจะปกครองเทวดาชั้นดาวดึงทั้งชั้นอีกนี่แหละความโลภไม่มีที่สิ้นสุดความโลภของมนุษย์เนี่ยแต่ตามให้จริงคนเราเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยจะกินอะไรมากมายนักหนาอย่างพระเนี่ยอย่างพระเราเนี่ยอาหารเนี่ยทุกวันน่ยเหลือเฟือถ้าทานจริงจริงก็เพียงจานเดียวก็อิ่มล้ะ อยู่ได้ทั้งวันแต่คิดเป็นเงินออกมาก็ไม่มากแต่ว่าความโลภความโลภมันเยอะเหลือเกินมากมายมหาศาลเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็ยังไม่พอเออรพราะอะไรเพราะความโลภอยู่ในจิตใจของมวลมนุษยชาติถ้าว่ามีความโลภมากเท่าไหร่โลกก็ยิ่งเดือดร้อนวุ่นวาย แต่ถ้าว่าโรคลดความโลภลงนั่นแหละก็จะเป็นผลดีอย่างที่เขาว่าการที่จะให้พวกข้าราชการผู้น้อยอ ล, ดลดนี่ลดนี่ให้แก่ข้าราชการผู้น้อย ปดนี้ให้แกข้าราชการผู้น้อยหลวงพ่อวันปดไม่ได้เนาะปดนี่นะนะพอปดหนี้จักรยานก็ไปปดหนี้มอเตอร์ไซค์ปดหนี้มอเตอร์ไซค์ก็ไปปดนี่รถปิกอัพพอปดปิกอัพก็ไปปดรถเก๋งอีกกดเก๋งญี่ปุ่นรถเก๋งฝรั่งอีกจากนั้นก็บุกปลดค่านี่บ้านอีกมันมีถึงเยอะแยะไอ้ผูที่จะเอาไปมันปดไม่ปดไม่หมด ถ้าปลดความโลภโงงเอออนนั้นจะถูกต้องปลดความโลภคืออะไรให้รู้จักประมาณตนเราเป็นข้าราชการภูน้อยเงินเดือนเราขนาดนี้เราจะกินเราจะใช้อย่างไรจึงจะเหมาะสมจึงจะถูกต้องนั่นปลดความโลภโงงนั่นแหละให้รู้จักประมาณตนอย่างเราเราวัดของเราเหมือนกันวัดของเราขนาดนี้ค่าใช้ใจ่ายขนาดนี้เราก็ต้องมองดูว่าค่าใช้ใจ่าย เป็นยังไงที่พวกเราจะใช้ใจ่ายเหมาะสมไหมถูกต้องไห ม, มขนาดนี้อันนี้พวกเรารู้จักประมาณตนพวกเราก็ะเพาะสุกไม่ใช่บางอย่างหลวงตาวัดฟ้าบ้านตาเนี่ยท่านแจกสิ่งแจกของท่านเราจะไปทําอย่างท่านก็ไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะท่านมีมากท่านก็ต้องจ่ายมากอะไรมามากท่านก็ไหลออกไปล่อยไปมาก ในเมื่อเรามันเข้ามาน้อยเราจะไปปล่อยมากก็ไม่ได้แต่ถ้ามันเมื่อมันเข้าม า, มากเราจะไปปล่อยน้อยก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันเรากควรจะปล่อยมากกินเหมือนกันอันนี้คืสรุปแล้วก็คือการสถานที่บุคคลกาลเทศะให้มันถูกต้องตามทำนองคลองทำตามตามหลักธรรมหลับคือหลักเหตุผลพระ ง, งพ่อว่า หลวงพ่อฟังฟังดูใครๆเข้ามากันเนี่ยนะถึงจะอยู่ในป่าตรงพงไพถึงจะหมไม่อยากจะได้ยินก่อนได้ยินแต่ละวีดแต่ละวันจนจะได้ล้างหูไม่ไม่รู้จักจบเพือะงัอ น, นสรุปแล้วกันเนี่ยนะช่วงนี้เป็นช่วงโค้งการบ้านการเมืองแต่เราไม่คิดท่านหลวงพ่อยังหลวงพ่อเนี่ยไม่ฟังเลยก็ไม่ได้แต่ฟังจะช่วยยังไงไหม ก็ไม่ได้ช่วยยังไงมีแต่บอกเออท่านท่านผู้ใดก็ตามนะมาปกครองประเทศชาติขอขอให้เป็นมิตราสมาทิิเนอให้เห็นมีความเห็นชอบอย่าเป็นมิจฉาทิฐิความเห็นผิดถ้าเห็นผิดล้ประเทศชาติบ้านเมืองเดือดร้อนเห็นแก่พักเห็นแก่พวกเห็นตะกรอบเห็นแต่กวยประเทศชาติบ้านเมืองเดือดร้อนแน่ๆถ้าเห็น เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นเขาเห็นเราทุกหมู่ทุกเหล่าทุกคนคนในชาติมีเมตตาต่อกันรักกันเมตตากันสงเคราะห์อนุเคราะห์กันแบ่งผลประโยชน์กันให้ทั่วถึงตามฐานะที่จะต้องได้รับประเทศชาติก็จะร่มเย็นเป็นสุขหลวงพ่อว่านะสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อบอนทุกคนให้เป็นสัมมาทิฏฐนะิไม่ได้ว่าคนนั้นคนนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้พักนั้นพวกนี้ ไม่ว่าทั้งหมดจะเป็นกลุ่มเทวดา ม, มาปกครองก็เถอะถ้าเห็นแก่ตัวแล้วก็เดือดร้อนไปทั้งนั้นเพราะกิเลสปกครองออแต่ถ้าว่าผู้ใดก็ตามขึ้นมาจากพื้นแผ่นดินมาปกครองแต่เป็นผู้มีธรรมในใจมีความเมตตาต่อกันเห็นอกเห็นใจกันโดยธรรมก็ร่มเย็นเป็นถุกได้ถ้าคนมีธรรม ถ้าคนมีกิเลสปกครองแล้วมีเต๋อเอร้อนคนอหนสมชายมันร้องล่ะฝนคงจะหยุดละมังบัดเข้าก่อนมันแดดแดมันร้องลหลวงพ่อให้ตู้เป็นไล่ไล่มันพอมันจะร้องเพลงนานมันก็ยังไม่ได้ร้องเพลงสุดสุดคาถาของมันเามือนกฝนก็ลงมาเนี่ยตั้งหลายวันแต่วันนี้ฝนมาตักงสามวันสามคืนเนี่ย มันมาร้องเพลงอีกคงจะหยุดแล้วหลวงพ่อว่านะรับพรนะเจ้อเนี่ย อ, อนุมโมทนาให้พร